بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل و سلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما ع ل ب ت ن ا إنك أنت العلم الحكيم ربي شرح لي, لي صدري و ي س ر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي اللهم ا ن ف ع ن ا بماعلمتناعلمنا ما ينفعنا و ن ز ع ن ا ع ل م ا ر ب ن ا ظلم ن ا أنفسنا و إ ل م ت غ ف ر لنا و ت ر ح م ن ا ل ن ك و ن ن من الخاسرين ر ب ن ا آتنا <ت ص في ق> من ل د ن ك ر, ر ح م ة وحي لنا من أمرنا رشدا الحمد لله شكرا a ل l a سبحانه وتعالى الحمد لله นะครับวันนี้อินชาอัลลอ์เป็นอีกกลุ่มอายะนึงที่อยู่ใน س ร ر ุตุฟุิลัเป็นเรื่องราวสืบเนื่องจากการเรียนรู้ของเราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอินชาอัลลอ์นะครับวันนี้ตั้งแต่อายะที่25เป็นถึง29นะครับจาก س ร ر ุตุฟุิลัมาดูกันว่าเราจะเราจะพูดถึงเรื่องราวอะไรนะครับหลังจาก ที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเราได้รับทราบว่าชาวนรกคนละยาบุบิลละปัณฑามุชริกินปัณฑาคาฟิรินปัณฑาอัลมุจรีมิคนที่เป็นผู้ที่สมควรจะต้องเข้านรกได้โต้เถียงกับอัลลอฮฺซุบขานาวาตาละไม่นำซ้ำได้ทะเลาะกับตัวเองทะเลาะกับอวัยวะของตัวเอง หลังจากที่โต้แย้งกับอัลลอฮฺซุลฮานะวะตะอาลาเพื่อที่จะให้ทุกเขาได้รบผลจากนารกปรากฏ ว, ว่าอาอยะในตัวของพวกเขาได้ยืนยันถึงความผิดของพวกเขาเองอ่านอบลลาลิมาวันนี้อัลตะลาจะอธิบายถึงต้นเหตุที่ทำให้พวกเขาต้องเข้านารกว่าเป็นเพราะอะไรนะครับมาดูกัน a ้ายที่สิบห้าจะกสูร์ที่ตุศลัดอินช a อัลลอฮฺอาบูดุลลาห์มิหนาชัยตุนอัล ه ัจีมว่าอีย์อัตนา ม ا بين أيديهم แ زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم و َحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبَلِهِمْ ใค م อุเม่ท خ ل َ ت ้เข้า ق َ ب ْ ل ِ ه ِ م พวก ن َ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إ ن นนั้ كانوا خاسرين وقال الذين كفروا َ لا تسمعوا ََ لهذا القرآن ْ والغو ََ في و َ ا ل ْ غ َ و ْ ف ِ ي لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ف َ ل َ ن ُ ذ ِ ي ق َ ن َ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر ُ عَذَابًا شَدِيدًا ولا و ะแ ن นจุญญ์ ا ์นั ا ل อัศว์อัลลُ่แค้นูย์แอมลูนดัลิกะจั لهم فيها دار الخلد ج ز ا ء ล بِمَا <ت ص في ق> ال ك َพวกเ ا าِด ي รับِาَ ا ีَนำจากข้อกฎَมายขَงَรْแَะُวกَขَได้ร ر บกَّชَ้นَจากَ้อกฎหมายของเรَและพวกเ ال َّ ذ ي ن ما شاء الذين ن َ ال ا ذ ي ن أضلنا من الجن و ا ل ِ ن س จะจงทำให้ท่าน ه ั้งสองอยู่ใต้เท้าของเราเพื่อให้เราเป็นผู้นำในส่วนท a ่ลึกที่สุดขออุ ยี่สิบห้านะครับอายะทียี่สิบห้าเนี่ยอย่างที่บอกอายะนี้เป็นการอธิบายว่าต้นตอหรือสาเหตุที่ทำให้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อร้อง س ب ح านฮและถวาลยบรรดามุชริกีนที่เป็นศัตรูของร้อสุ ب ح ا ن ฮและถวาลยพวกเขาต้องเจอกับการลงโทษในนรกเนี่ยในดุนยาใช้ชีวิตอยู่ยังไง ความดื้อด้านของพวกเขาเนี่ยทำไมถึงดื้อด้านจนตายมีเวลานะก่อนต้าเนี่ยมีเวลายาวนานมากแต่ทำไมยังคงยืนกรานที่จะเป็นผู้ปฏิเสธอะไรคือสิ่งที่เป็นปมทำให้คนเหล่านี้ไม่ยอมสลัดความดื้อรัน้นความโอหังของตัวเองไม่ยอมอ่อนข้อไม่ยอมตามท่นานนบีสุลต่าอเราะซัลลัมสาเหตุก็คือ ว قي ้ยนน ه าล่มคุรณะอัลลอฮฺา ع ا ل าบอกว่าเราได้ทำให้พวกเขานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าคุรณะเนี่ยเป็นพระหูพจน์จากคำว่าการีนเราเคยได้ยินคำว่าการีนัหมมนุษย์ทุกคนมีการีนจากจิน คนกะฟิก็มีการีนผู้ศรัทธาก็มีกาเรีนจินคู่หูมนุษย์แล้วของพวกกาเฟิเนี่ยกาเรีนของพวกกาเฟิเนี่ยทําหน้าที่อะไรก็ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอัลอยยาบุบิลละในสุรห์อื่นมีอายะที่ใกล้เคียงกันก็คืออายะทีในสุรห์อัลัยยาบ่บิละละตรัสถวอย่างนี้นะว่ามนยุษช์ عن ذكر الرحمن نقيد لهم شيطانا فهو له قرين وإنهم ل َ يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم م ْ ت د ء أي سورة الزخرف 35ใครที่ห่างไกลจากการรำลึกถึง Allah ใช้ชีวิตห่างไกลจาก الرحمن ใช้ชีวิตไม่ยอม ปฏิบัตตามบทบัญญ ah, oh, ah, ah ah ัติของ a l l า h سبحانه และ a l a h อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอีฺอัลลอฮอัลลอฮฺอัลลัลลอฮอลลออัลลอฮฺอัลลัลลอฮอัลลัลลัลลออลลอฮฺอัลลอฮฺอัลออัลลอฮฺัลลอฮฺลลอฮฺอัรลกฮฺอัลลออัลลอลล นั่นก็คือกอรีปุโรหะนะข้าวพดจากคำว่ากอรีเกลอือคู่หูแล้วแต่จะแปลแต่อยู่กับเรานะปุโรหะเนี่ยมีทั้งที่เป็นจินและก็ทั้งที่เป็นมนุษย์ในเอ็มโนกัสซตเนี่ยบางตับเซตก็ไม่ได้บอกว่า เ, เป็นจินหรือมนุษย์บอกว่า เ, เป็นชัยกอนแต่ในเอ็มโนกัสเซตเนี่ยบอกชัดเจนเลยว่ามีทั้งจินและก็มนุษย์ يذكر تعالى أنه ย้ أن الذي ا ل ย้ําย้ําย้ํา ل ้ําย้ ك าย ا ําย้ํา و ้ําย้ําย้ ه و, ه و ا ้ําย้ําย้ํ ا ل ้ํ ي ا ้ํ ا ย้ํ ا ل ق ําย้ ا ل ย้ําย้ําย้ําย้ําย้ําย้ํ ا ل ้ําย้ําย้ําย้ําย้ําย้ําย้ําย้้ยา ม า, มากระซิบกระาบมาชักจูงเราบางทีมันก็มาที่เราอยากจะทําของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยกระซิบกระาบเนี่ยมันมาจากชัยตอนแล้วบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่อพระสุภาราตะตละลาเนี่ยมันช่างสรรหาวิธีการทํามะัียาตต่อพระตละลานะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามีศิลปะในการทํามะัศยาต่อพระตละตลาเนี่ยผุดขึ้นมาเหมือน เหมนดอกเห็ดมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวชิริกโอเคเป็นเป็นเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกหัวเชื้อชิริกเนี่ยเป็นเหมือนหัวเชื้อของมักเสียดในการพยรถยในการฝ่าฝืนคําสั่งของ Allah แล้วพอเอาไปผสมกับไอ้นู่นกับไอ้นี่กับวัฒนธรรมกับประเพณีกับอารมณ์กับภาวะนับสูงกับแฟชั่นกับโอ้มันกลายมาเป็นไม่รู้ตั้งกี่ชนิด เสียดในปัจจุบันนี้ลาฮาอะลาหัวใจอัลลอฮ์ลลาใครคอยยุยเฮยุ่งชัยตันอาอุบิลลาฮีมันชัยตันอาอุบิลลาฮีมันชัยตันอัลรจีลาอิลาห์อิลลาห์ชัยตันซึ่งรักษาต้านาอัลลอฮ์ س ب ح ن ه และ تعالى ทั้งต่วันแดงที่อัลลอฮ์ ع ا ل ى ไลมันออกจากสวรรค์ มันจะพยายามที่จะทำให้ลูกหลานของอาดัมซึ่งเป็นต้นเหตุให้มันต้องออกจากสวรรค์นเนี่ยมันประกาศเลยว่ามันจะพยายามให้ลูกหลานของอาดัมเนี่ยเบี่ยงเบนจนถึงที่สุดมันจะหาทางทุกช่องทางมาจากข้างหน้ามาจากข้างหลังมาจากข้างบนมาจากข้างลา่างวิธีการของซาตานนะครับจะคอยเป่าหูมนุษย์ให้เกิดโรคทางใจต่างๆนานา ตั้งแต่โรคอิจาริษสาตั้งเาาท้าก็หัวนอกนี่ตั้งแต่โรคโยยะไปมดและหนึ่งในจำนวนสิ่งที่ใช้ตอนประกาศชัดเจนว่ามันจะทำกับลูกหลานอาดัมก็คือมันจะเป่าหูให้ลูกหลานอาดัมอยากจะเปลี่ยนแปลงร่างกายของตัวเองเวลาอยู่ใกลยรุ่นนะขัลกลล พฤติกรรมที่คนอยากจะเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากสภาพอย่างนี้ไ้เป็นอีกสภาพหนึ่งเนี่ยมาจากการยุโยงของใส่อนอันนี้ <c oughs> บางทีเราก็ต้องต้องพูดตรงๆประธานาถ้าถ้ า, ถาหลายคนอ้างว่าเป็นสิทธิ เสรีภาพส่วนตัวที่เขาอยากจะทํานู่นทำนี่เราก็ต้องใช้สิทธิของเราในการอธิบายมุมมองของเราต่อประเด็นที่กําลังเกิดขึ้นณตอนนี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นณตอนนี้เป็นการยุยงจากชัยปอนทั้งสองเรื่องเลยดังมากตอนนี้สองเรื่องที่ดังๆอยู่สีรุ้งกับสีเขียวทั้งหมดนี้มาจากชัยปอนฟาซียนุเลหม แตล่ละบอวอยง่ายลาอิลลาหะอิลลาห์ฟเซย์นูล่ำม์แม้ในไอเดียมว่าคลั่งมันมายุแยงเนี่ยมันมาทำให้สิ่งที่เลวร้ายเนี่ยดูว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งนั้นมีพิษชัดชัดแต่มามาใช้อุบายใช้คำพูดใชน้นูน่มใช้นี่กลายเป็นสิ่งที่ถูกใจเฉย กลายเป็นสิ่งที่โอเคเฉยเลยทั้งๆ ท, งที่มันเป็นสิ่งที่ผิดชัดๆร้ายแรงชัดๆให้โทษชัดๆแต่กลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องเฉยเลยนี่คือความหมายของคําว่าซีายนูเล่าของที่ไม่ดีแต่ถู ก, ถกโฆษณาถูกโ r o p a g a n d a ถูกมาใช้ทุกวิธีทางจนกระทั่งว่าของนี้มันไม่ดีชัดๆ ของที่มันมีไอจัดๆของที่มันสร้างความรัศมีรสาให้กับสังคมชัดๆเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ถในสายตาของคนที่ถูกเป่าหูโดยใช่ป่ะมาใบในไอดีเเฮมเนี่ยบางทับเสือ บ, บอกว่าหมายถึงชีวิตของพวกเขาในโลกโดุนียะหรือนในเอ็มโกัซี่บอกว่าหมายถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้ว حسنوا لهم أعمالهم في الماضي ย่างพวกมุชลิกีน่ะท่านสมัยของึ้นนบีซัลลัลลอฮุอะลัยซัลลัลไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดตัวเองทําอะไรมาตั้งแต่อดีตเคยทําร้ายใครมาเคยทําชิริกมาตั้งเท่าไรเคยมาไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองนั้นผิดเลยไม่เคยรู้สึกเสียใจไม่เคยรู้สึกอะไรก็เลยนะไม่เคยรู้สึกสํานึก ในความผิดที่ตัวเองทํามาตลอดทั้งชีวิตยังมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ทามาทั้งหมดคือเป็นสิ่งที่ถูกต้องหมดเลยใช่ตอนมามาทําให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นว่ามาคัลวาอหมายถึงอนาคตต่อไปตัวเองก็ถ้าสมมุติว่าตัวเองที่ที่ผ่านมาชิริกมาเท่าไหร่ก็ไม่ผิดทำมาเสศษมาเท่าไหร่ก็ไม่ปิดแล้วถ้าตัวเองตายไปมันจะมีอายักที่บอกว่าพวกผู้ชีริกนี่มีอัคดะที่น่าน่าเกลียดก็คือ กล้าที่จะกล่าวอ้างว่าตัวเองถ้าตายไปแล้วเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากจากอัลลอฮ์ได้ยังไงตัวเองมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษยาทำกลางนอสยทำกลางชีวิตพอาตายไปแล้วยังคิดว่าตัวเองอยากจะได้อะไรดีๆจากอัลลอฮ์อะอีกล่อตัวเองไม่ต้องเข้านรกนี่คือนี่คือความคิดของคนที่มีความบิดบิดผิดเพีย้ยนทางทางความคิดทางศรัทธา น่กลัวมากเยอะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดันี้ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบผู้ศรัทธาหรืใช้ชีวิตตรงกันข้ามกันเลยกับวิถีชีวิตผู้ศรัทธาแต่ก็ยังหวังว่าตัวเองจะกลับไปหาแล้วแต่อะไรจะได้รับการตอบแทนที่ดีจะได้เข้าสวรรค์ก่อนหรอกมันเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดนี้มาจากใครรีนอันนี้คือตัดสิน ว, ว่ามาในไอดีตเห็นหมายถึงในอดีตอะไรกันะที่มาเัลิม้มเอาหมายถึงในอนาคตในอัคคีรอตต่อไปตายไปแล้วเนี่ย ก็ยังคิดว่าตัวเองจะเจอสิ่งดีๆจาก Allah Taala เป็นไปได้ยังไงรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ในสวรรค์ตุรกีด้วยที่เราชายสองคนที่เป็นชาวชาวสวนแล้วก็กับเพื่อนของตัวเองอะเห็นไหมชายที่เป็นชาวล่องกลับไปทบทวนสวรรค์ตุรกีดูนี่คืออุดมาการณ์และความคิดของคนที่มีความแปลกประหลาดตั ก, กะไม่รู้เอามาจากไหนความคิดแบบนี้หรือ ในจานวนการตั ن ا, ن ا ้งซีรก็คือเขาตับงเีรว่ามาไปในไอดีเห็นหมายถึงปัจุณยามาไปในไอดีเห็นหมายถึงดุนยาปัจุณญาจะครอบหา بأعينهم ودعوهم إلى لذاتها وشهواتها المحرقة حتى تتنو فأقدم على معاصي ในโล็กว่าช่างว่ามุภาพะติอัลลอฮฺและ رسول ขุ น, น, น, นี้ใช้ชีวิตด้วยความโอหังด้วยควา ม, อ ะ, วามอะไรเาเรียกไม่รู้สึกรู้ษาในความเกรียงกรของโลกสุภาเนาตะละไม่สนใจใช้ชีวิตตามอารมณ์ของตัวเอง จะใช้ยงไรก็ใ ah, ช ah, hey, <dar> ้ช <students> ีวิตน ah, ี้ม ah ีครั้งเดียวจะเอายังไงก็เอาให้เต็มที่ไปเลยลาฮลาลอลาบินลนี่คือเตนของชัยอนชัยอนที่มาเป่าหูแบบนี้วัอัคราในขณะที่วัอคราเป็นยังไงวัอคราะอยาเ ع ل ي ه ه ا ฟะทรพฮาล่า خوفها من قلوبهم فقادوهم إلى الكفر والبدع والمعاصي ใน تفسير السعدي أ ت สหรับวันอคคีรัชชัยตอนก็มาพูดไม่มีจริงหรอกชีวิตอัคคีรัชนุษ์อไม่มีความจริงตายไปแล้วก็จะหมดไปแล้วดันั้นความสุขอะไรอยากจะได้อะไรให้มันเต็มที่ในดุ نية นี้นั่นแหละคนพอมันไม่มีอคครมันทาได้ทุกอย่าง ไม่มีอะไรคํากับวะเลยอะทุบินละน่ากลัวมากมากนี่เหมือนกับว่าอัลกรุรอานเพิ่งลงมาเมื่อวานวันนี้นะใช่ไหม <laughs> กำลังกำลังจะรักษาโรคที่มันเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนเลยอะ่ะไม่ได้ยังไงสุดห้าแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาจริงๆมันก็ประมาณ น, นี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดร ะ, ะละระยะเวลาระยะเวลาประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนี่ยด่วนแล้วแต่มาจากการยุยยวนยุกยง ของชั ย, ยป้อนงไง่อลาฮ์อิล allah อัลลอฮฺให้อภัยเร า, าเไปเลยฟ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้น้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ด้้น้้้้้้้้้้้้้็้้้้้้้้้้้น้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เ้้้อ้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้ิ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ไม่ต้องรอดูถึงอาคคีรอครับผมว่าคอยดูในดุนีย์นี่แหละถ้ามีชีวิตยืนยาวนะเราลาประกาศไปเลยว่าคอยดูกันแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทูบินนะนี่ยังไม่ทันมีพรบ์รับรองนะมีคนเข้าโรงพยาบาลไม่รูมีคนแล้วอัสซาุลลอฮ์ทูบินเลยผลตอบแทนของการละละเมิดฝ่าฝืนบทบัญญัติของอัลลอฮ์สุบฮานะแต่เอาลานั้นบางทีไม่ต้องรอถึงอัคคีร็ได้เห็นคอยดูกันแล้วกัน นะอุบ ah. ิลละนะอุบิลละข้มินซาลิขอให้เราได้สบายได้ปลอดภัยจากพฤติกรรมของคนที่ไม่ยอมฟังอัลลอฮ์กับนี้ละฮาวล่าวะลาอิลลับิลละอูฮักะอไลฮิอาลยังไม่ถึงอฺูกาลละดีนักฟารูอ่านี่คือสาเหตุสาเหตุที่ทําให้คนพวกนี้ดื้อรั้นอุอังและไม่ยอมสลัทธูฟุตและชีริกของตัวเองก็คือมีคนที่คอยมาเป็นที่ปรึกษา คอยมายุยงคอยมาชักจูงคอยมาเอาอูอยู่จนกระทั่งเสียชีวิตอยู่ในสภาพนั้นและในจำนวนวิธีการที่พวกเขาใช้ก็คืออัตนี้รุนแรงมากหมายถึงว่ารุนแรงในแง่ของการสื่อสารเปิดเผยตรงไปตรงมามากว่ากาลัลลวีนักฟารูล้วัสมผัลิฮา็อ่านร ل ق ر آ ว่ากาวฟีละกุตอับม บ้ดดาดาคนกาเฟ่เนี่ยที่ปรึกษาของตัวเองเนี่ยมาพูดว่าอย่างไงและจะสมา่งหรอฮาลัลคุรานอย่าไปฟังอัลกุรอานอย่าไปฟังอัลกุรอานแล้วถ้าได้อิานอัลกุรอานก็ทำเล่นๆตะโกนโหเพื่อไม่ให้อัลกุรอานเข้าหูแล้วพวกเจ้าจะมีชัยชนะ <laughs> จะจะไม่แพ่อัลกุรอานคือ จริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยในสมัยของท่านนาบีเนี่ยบรรดาหัวโจกบูเรชเนี่ยเล่นกันอย่างนี้จริงๆหัวโจกบูเรชเนี nah. nah, ่ยจะไปพูดเลยกับบรรดาคนที่เป็นผู้ติดตามหรือว่าบรรดาชาวบ้านตาดำๆอย่าไปฟังมุฮัมมัดนะอย่าไปฟังอัลกุรอานนะฟังแล้วโดนนะถ้าสมมติได้ยินอัลกุรอานได้ยินมุฮัมมัดอ่านอัลกุรอานเนี่ยตะโกนตบมือก็ได้ทํำยังไงก็ได้ ไม่ให้เสียงอัลกุรอานที่ท่านนาบีอ่านเนี่ยเข้าหูเวลามีแขกมาจากต่างเผ่าต่างถิ่นเข้ามาในมักกะประกบเลยประกบเลยประกบแล้วก็ไปบอกเลยว่าระวังคนนี้นะอย่าขอย่าเข้าไปใกล้นะเดี๋ถ้าฟังแล้วจะเป็นเหมือนกับเซเลตโดนเป็นวิตกนจริวอตตเฟลอบนุอาหม์อัดดาวซีในจำนอนสหายที่โดนเป่าหูก่อนที่จะเป็นมุสลิมก่อนที่จะก็คืออตเฟลอบนุอามร มาจากเผ่าดาวสนอกมักกะเข้ามาในมักกะปุ๊บเนี่ยโดนพวกโเรชนี่มาประกบแล้วก็บอกว่าอย่าไปเข้าใกล้ผู้ชายนเนี่ยเชื่อจนกระทั่งว่าต้องหาสำลีมาอุดหูเพราะกลัวว่าอัลกุรอาน จ, จะเก้าหูตัวเองแต่ว่าสุดท้ายมันปิดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเข้าไหมครับ แล้จะปิดสัมฤทมันก็ยังเข้าได้พอเข้าไปใกล้ๆท่านนบีระหว่างที่ท่านนบีละหมาดอยู่ที่กาบก็ได้ยินอัลกุรอฮ์แล้วก็คิดได้ว่าเอ๊ะฉันเนี่ยมีสติมีปัญญาไม่ใช่เหรอถ้าสมมุติว่าสิ่งที่มาทำมันอ่านนี่มันเป็นเรื่องที่ดีฉันก็คิดได้ถ้ามันไม่ดีฉันก็ไม่เอาฉันก็เป็นไม่ได้กดฉันไม่ได้เป็นคนบ้าไม่ได้เป็นคนโง่ทําไมอ่ะทําไมฉันจะฟังไม่ได้อ่ะก็เลยตัดสินใจเอาสัมฤทธออกแค่นั้นล่ะครับ เพียงไยงเดี๋ยนี้เขที่บรรดาพวกวัวจกกอร์พูดมนาะอัลกรุรอานน่ะมันมีพลังในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นเอกคนที่เป็นปฏิ ป, ปักษ์กับอัลตาัลลาเนี่ยสิ่งที่พวกเขาทําได้ที่สุดทําได้เขาเรียกจนตรอกที่สุดละเพราะว่าจะเอาอัลกรุรอานอื่นมาให้เหมือนก็เอามาไม่ได้เอาแต่ละท้าทายเลย ว, ว่าเอาถ้าสมมติอัลกรุรอานไม่ใช่ของจริงก็เอามาสิกเอามาสักหนึ่งสุระไปลองประพันธ์มาสักหนึ่งสุระ ไม่ได้หนึ่งสุรอก็เอามาสักหนึ่งอายัดได้ไหมสามอายัดไม่ได้หนึ่งสุรอไม่ได้หนึ่งอายัดก็ยังไม่ได้สุดท้ายก็เลยต้องบอกว่านั้นอย่าฟังเลยเรียนแบบไม่ได้ประพันธ์แต่งอัลกุรอานขึ้นมาให้เหมือนกับอัลกุรอานของมุฮัมมัดไม่ได้ก็เลยบอกว่าอย่าฟังของม uh ัมนี่คือไม่รู้จะไปไหนและ้ะแสดงออกถึงความอ่ อ, อนด้อยแล้วก็แสดงออกทั้งความบาปเป็นเส้นทางที่มันหลงผิด ของคนเหล่านี้อย่างเป็นประจักษ์คือพิสูจน์ให้เห็นถึงความสั์จริงของอัลกุรอานโดยราคาบไม่มีอะไรที่จะมาหักล้างความถูกต้องของอัลกุรอานได้เลยเพราะว่าพฤติกรรมของมุมุชริกินจนตรอกจริงๆไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะไรต้องบอกว่าอย่าฟังเพราะถ้าฟังแล้วโดนแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าเวลาที่ตัวเองไปบอกคนอื่นว่าอย่าฟังอะ ตัวเองฟังไหมตัวเองนี่มาแอบฟังนะตัวเองนี่มาแอบฟังนะกลางคืนเนี่ยแอบพวกหัวโจกโครเชตเนี่ยเพราะว่าอัลกุรอานมันมันเป็นอะไรที่มหาศจย์ลนะคนเหล่านี้รู้ว่าอัลกุรอานมันเป็นเป็นอะไรที่แปลกไปจากภาษาอาหรับที่ตัวเองรู้จักดีไม่ใช่เชไม่ใช่เกาีไม่ใช่นูน่นไม่ใช่นี่ต้องเป็นวา ย, ยูจักรแล้วแต่ละเพราะฉะนั้นหัวใจเนี่ยอยากจะฟังก็เลย กลางคืนนี่ออกมาเงียบๆคนเดียวไม่ให้ใครเห็นปรากฏว่าคนนี้ก็ออกคนนี้ก็ออกไม่ได้นัดกันนะแล้วมาจะเอกันมาเจะเอกันกลางนางว่าเอา้าออกเราทำไมคือกับชาวบ้านไม่ให้ฟังแต่ตัวเองก็แอบมาฟังทนไม่ไหวอยากจะฟังอัลกุรอานความงดงามของอัลกุรอานเป็นยังไงตอนี้คือจะบอกว่าวิธีการเพราะฉะนั้นถ้ามุชริกีนรณนารง เมื่อเราฟังอัลกุรอานพวกเราจะรณรงค์อะไรเราก็ต้องรณรงค์ให้คนฟังอัลกุรอานให้มากเหมือนกับที่อัลลอบอกว่าวَ إ ِ ذ َ ا قُرِؤَ الَّنَّ فَاسْتَمِعُوا لَهُوَوَإِذَا قُرِؤَ الْقُرْآنَفَاسْتَمِعُوا ل َ ه ُ و َ و َ ا ن ْ ص ถ้าคนกเฟรเวลาที่เขาฟังอัลกุรอานเขาสร้างความก่อความรำคาญรบกวนไม่ให้กอ่านเข้าถึงหัวใจของเรา เราก็ต้องทำให้มนุษย์เข้าถึงอัลกุรอานมากที่สุดทำยังไงให้เขาได้สัมผัสถึงความงดงามความแท้จริงของอัลกุรอานแล้วเขาจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วชีวิตในโลกดุนยานี้มันสับสนแค่ไหนถ้าไม่มีอัลกุรอานอัลกุรอานมาร้อยเรียงวิถีชีวิตของเราให้มันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นไปตามคันลองที่คนจะเป็นให้คฟังอัลกุรอานให้คนศึกษาอกุรอานให้คนได้อ่านได้สัมผัสได้ยิน คำสอนของ Allah s u b h a n a แล้วเขาจะเห็นภาพชัดเจนแยกได้ชัดเจนเพราะอัลกุรอานคืออัลฟุรคอนไม่มีอัลกุรอานเนี่ยแยกไม่ได้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกเหมือนกับทีนะ่คนส่วนใหญ่ที่เขากำลังสนับสนุนกันสิ่งที่กำลังกาลังเป็นเรื่องประเด็นกันตอนนี้เพราะเขาไม่มีตัวจำแนกว่าอันไหนที่ควรอันไหนอันไหนที่ไม่ควรอันไหนผิดอันไหนถูกไม่มีตัวจาแนกตัวจาแนกก็คือ ยากได้อะอารมมันอยากได้แต่อย่างอื่นสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายหลังบั้นปลายทีหลังไม่มีใครรู้เพราะไม่มีอัลฟุร์านอุสตะฮะมีอัลฟุร์กานอัลกุรอานซึ่งเป็นอัลฟุร์านแยกแยะกลั่นกรองว่าสิ่งที่เราจะรับเอามาใช้เนี่ยมันควรจะรับมาหรือไม่ควรจะรับมาเพราะฉะนั้นบรรดาคนกาเฟรจะบอกว่าจะน่าเสหัดซึ่งกันและกัน มันเป็นฮลากโกของพวกเขาวะตาวาเอของเราเนี่ยวตาวาเลเปกนะอัลละตาลาบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยต้องสังเสียกันด้วยความจริงแต่ของบรรดาผู้ที่เป็นปฏิปัติ์กับละตาลานี่วะตาวาเซลและกมาอูบิฮะอัลกุรอานอย่าฟังอัลกุรอานนี่คือความพยายามของคนที่นะอูซูบิลลั่นะครับทรยุป่าฝืนอัลลอซุฮานวะตาลา أستغفر الله وأتوب إليه فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا رضى الله رأو جهيبا قد كفيرن ديليم لع عذابا شديدا การลงโทษอันหนักหน่วงหนักหนาสาหัสทำไมต้องใช้คำว่าฟลานน่ะเพราะว่านี่คือ การเาเรียกว่าตะบีดด้วยการความรู้สึกได้ลิ้มได้ลองได้ได้เห็นถึงผลลัพธ์ที่พวกเขาจะต้องโดนแล้วมันก็เวลาที่เราบอกว่าอะไรนะอ อ, อไม่ใช่แค่เข้าไปเฉยๆแต่ได้ได้สัมผัสถึงการลงโทษนั้นจริงๆมีการตะกีและนูซีกอนและมุตตะกี นูนุตต่งจีทั้งสองอย่างเลยคนเหล่านี้จะได้ลองจะได้รับจะได้สัมผัสกับการลงโทษของพระองค์อย่างแน่นอนอาญาบันชั่ดีนะแลพะพวกเขาก็จะได้รับการตอบแทนจากล l l a h ด้วยผลตอบแทนที่อัสวะนี่ก็คือเลวร้ายที่สุดจากสิ่งที่พวกเขากระทำ หลายยาก็เป็นละนี้เราอยากจะบอกด้วยความเป็นห่วงเราอยากจะบอกด้วยความเป็นห่วงกับบรรดาคนที่กล้าท้าทายอัลลอฮฺซุบฮานาอฺวะตะละว่าอย่าท้าทายเลยการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานาอฺวะตะลาเราไม่สามารถที่จะจินตนาการว่ามันจะเป็นยังไงอย่าพยายามที่จะท้าทายกับการลงโทษของอัลลอฮฺโอเคเราอาจจะมีความสุข เพราะได้ตามอารมณ์และฮวานักสูของเราไม่กี่อึดใจในโลกดุนียานี้แต่สุดท้ายเวลาที่เราตายไปแล้วเราจะเจอกับอะไรเรารู้หรือเปล่าเรามั่นใจหรือเปล่าว่าเราจะปลอดภัย il อัลลอฮอักุบราลลอฮอูบละ์ลาอิลาอิลลัลลอฮ์บรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่อลักต่ ะ, ตะเนี่ยบางทีมันก็ จริงๆมันมันบางทีเราอาจจะพูดมันไม่ใช่เรื่องของเรา <laughs> ใครจะทำก็เชิญวัาเขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาแต่ที่เราเป็นห่วงยิ่งกว่าก็คือคนที่เป็นผู้ศรัทธาคนที่เป็นมุสลิม น, นี่แหละจะเอากับเขาด้วยอันนี้ทำยังไงดีคือมีความรู้สึกว่าเอา้าก็ก็เป็นก็ในเมื่อมันอนุญาตแล้วเอากปเอากบบเขาด้วยอันนี้คือต้องบอกแนะๆว่ามิเป็นห่วงมากมุสลิมที่จะเอากับเขาด้วยอ่ะ มันคนละเรื่องเลยนะไอ้ที่บอกว่าเขาอนุญาตกับอล l l a h อนุญาตนี่มันคนละเรื่องกันอย่าสับสนกับประเด็นนี้มุสลิมไม่ควรที่จะตกเขาเรียกว่าอะไรนะตกหลุมพรางกับเรื่องแบบนี้แบบง่ายๆแบบนี้เอาซะไปละฮามิญะริกเนี่ยเราเป็นหว่วงมากๆเลยบางทีแต่มุสลิมด้วยกันเองก็เป็นกระบอกเสียงไอ้กับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ อันนี้แหละเราวังให้ดีนะครับว่าเาจยินน้าุมอัสวะที่ทีการูย่ำมลูนอัลลอฮฺต้าลาบอกว่าการตอบแทนของพระองนั้นอัสวะนะครับเราไม่สามารถที่จะจินตนาการการลงโทษอัลลอฮฺต้าลาที่พระองค์จะลงโทษมนุษย์ในวันอัคคีรัดได้ไอบิษะอัมาลิหมแะเศียะฟลิม ด้วยการจะจะอัล ل าดีลลันั่นแหละคือการตอบแทนของคนที่เป็นศัตรูของ Allah และคนที่แหการุกลุกคด์นะเขคือต้องได้รับการลงโทษในนรกและจะต้องอยู่ในนั้นตลอดกาลจ๊ะอบีมาานุบีอายตินะยจ حد ุเป็นผลตอบแทนที่มาจากการที่พวกเขานั้นปฏิเสธ องค์การต่างๆของเราเพราะฉะนั้นฟังก่อน <c oughs> ใช้ใจฟังเวลาที่อรตะลาเรียกร้องมนุษย์ให้ฟังบทบัญญัติของพระองค์องค์การของพระองค์เนี่ยฟั่งก่อนได้ไหมจะคิดยังไงหลังจากนั้นขอให้ฟังก่อนไม่ใช่ว่าพอเรียกร้องให้ฟังเลยไม่เอา ตั้งแง่ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้ามาจากอ่ามุฮัมมัดถ้ามาจากคนกลุ่มนี้ยังไงยังไงก็ไม่เอาเนี่ยโดนโดนโดนคาถาของอายักก่อนหน้านี้แล้วจะสมเอาอย่าฟังเราฟังหน่อยฟังหน่อยได้ไหมแล้วฟังหน่อยแล้วก็ใช้ใจฟังนะคิดดูให้ดี ที่เขาพยายามใส่ร้ายว่าอัลกุรอานมีคําพูดที่มันน่าจกน่าเกลียดน่ากลัวอย่างนู้นอย่างงี้ฟังบ้างหรือยังหรือว่าฟังเฉพาะคําก่าหาใส่ร้ายแต่ไม่ได้ฟังอัลกุรอานจริงๆตัวอัลกุรอานเราเคยฟังหรือยังถึงได้กลัวผลหัวลุกขนาดนะั้นอัลกุรอานมันมีอะไรถึงได้กลัวขนหัวลุกไม่ยังไม่ได้ฟังทีแล้ว ก, กลัวทําไมเปิดใจฟังสักนิดหนึ่ง เราอยากจะให้เขาฟังทำยังไงให้คนอื่นได้ฟังอัลกุรอานมุสลิมเองเราก็อยากจะให้ฟังอัลกุรอานนะถ้าสมมุติไม่อยากจะฟังความหมายฟังอัลกุรอานก่อนเฉยๆก็ยังได้เข้าใจไหมครับเพราะว่าฟังอัลกุรอานตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วในยะของอียาติกบอกว่าอย่าฟังอัลกุรอานเนี่ยก็คือฟังความหมายของมันฟังแล้วเข้าใจแต่โอเคบางคนบอกว่ายัง ยังไม่ยังไม่อ إ ม่านยังไม่แข็งพอที่จะจ ะ, จะมาเรียนอัลกุรอานมาเรียนตั้งีลมาเข้าใจความหมายของอัลกรุรอานโอเคเราเริ่มต้นจากการฟังอัลกุรอานเฉยๆก่อนได้ไหมได้ไหมขอให้ใกล้ชิดกับอัลกุรอานด้วยการฟังเสียงอย่างเดียวก่อนเพราะว่าอ่าคนที่ฟังอัลกุรอานอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วก็มีนะ ไม่ได้ฟังความหมายอัลกุรอานหรอกไม่ใช่มสุสลิมด้วยแต่ว่าฟังอัลกุรอานเนี่ยก็คือซือ้อซื้ออุทยุซื้อเครื่องอ่านเครื่องอะไรเขาเรียกนะเครื่องเครื่องอที่เสียบเนี่ยก็เปิดฟังมีนะให้ฟังก่อนเราจะเห็นว่าอัลกุรอานเนี่ยแม้กระทั่งเสียงของมันเนี่ยก็มีความสวยงามแล้วนับภาษาอะไรกับ เนื้อหาของมันแล้วอัลฮัมดุลิลละนะปัจจุบันนี้อัลกุรอานเนี่ยมีเสียงให้เราเลือกฟังมากมายเหลือเกินเนี่ยเราก็อยากจะบอกกับพวกเราเหมือนกันนะพวกเราเองก็ลองดูอ่านะถ้าขี้เกียจที่จะอ่านอัลกุรอานอย่างน้อยก็อย่าขี้เกียจที่จะฟังอัลกุรอานฟังเสียงเพราะเพราะ อ, าอิหม่ามคนไหนที่เราชอบฟังอะ่ะไปหามาใส่ใส่เข้าไปในมือถือ หรือใส่เข้าไปในไม่รู้แหละอุปกรณ์อะไรไม่รู้สมัยนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างอะ่ะที่เราใช้ฟังไม่ฟังหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆข ย, ยับเข้าไปฟังความหมายขาองมันที่สำคัญก็คือการไม่ฟังอัลกุรอานเนี่ยบางทีมันจะกลายเป็นช่องว่างที่ใช้ตอนหาโอกาสเพื่อที่จะมาเป่าหูเราได้ ถ้าเราไม่อยู่กับเสียงอัลกุรอานมันก็จะมีเสียงอื่นมาแทรกอันนี้แหละที่สำคัญที่น่ากลัวคนเราไม่อยู่กับเสียงอัลกุรอานจะอยู่กับเสียงอะไรเป็นธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมใช่ไหมอุตสาหกรรมมิวสิกเพราะตะวันนี้อุตสาหกรรมมิวสิกเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมถ้าไม่อยู่กับเสียงอัลกุรอานก็จะอยู่กับเสียงพวกนี้แหละเสียงของชตน ดูสิแม้กระทั่งเสียงของชจตอนเนี่ยเสียงของชจตอนเนี่ยต้องมีเครื่องประกอบเพราะว่าตัวเสียงเองอ่ะบางทีมันยังมันยังไม่เพระพอต้องมีองค์ประกอบนะต้องมีกลองต้องมีสายต้องมีต้องมีแบบเป่าต้องมีองค์ประกอบที่ทําให้มันออกมาเป็นเสียงแล้วก็ทําให้เราเรียกว่าเละาวน อัลลอฮฺและจากนัลนมนดถึงคนบางคนซื้ึ่งรีละซื้อเสียงที่เเป็นสียงที่ทำให้มนุษย์นั้นหลงลืมเสียงที่ทำให้อยู่ในจินตนาการวิ่งไม่รู้อะไรถ้าไม่อยู่กับเสียงของอัลลอตอละก็จะอยู่กับเสียงของชายะ ระวังเสียงของชัยตรอนอัลอาญาสุลล่าโอเคมันอาจจะมีเคละาความเห็นที่แตกต่างกันไปนะครับว่าเพลงอะไรแบบไหนที่มันฮารอมอะไรแบบไหนที่มันฮาะแต่จะบอกว่านั่นแหละถ้าหัวใจของเราไม่ได้คุ้นเคยกับเสียงจากอัล์น่นจากอัลลอฮสุบฮานาวะตาลชัยตอนมันก็จะหาโอกาสที่จะดึงความสนใจของเราไปสู่เสียงของมันได้ อันี้นี่เป็นความแปลกประหลาดของความมหาสารย์ของการนําเสนอของอัลกรุรอานนะแล้วจะมาเอาลียนแัลกุรอานวะลกาฟีเหมือนตรงกันข้ามอ่ะอ้ลกาฟีนี่ก็คือเสียงที่ทำให้หลงลืมที่ตรงกันข้ามกับอัลกรุรอานเนี่ยแล้วมันเยอะมากนะเสียงที่มันตรงกันข้ามกับอัลกุรอานเนี่ยเยอะมากอนะเพราะฉะนั้นในชีวิตของเรานะถ้าไม่มีอัลกรุรอานเลยนี่น่ากลัวที่สุด ถ้ามีอัลกุรอานบ้างไอ้นูบ้างโอเคมันก็ยังน่ากลัวแต่มันก็ยังดีกว่าที่ไม่มีอัลกุรอานเลยโอเลียลลอฮ์อัลล์ต้องพิจารณาดูนะครับดีๆนะครับว่าเราจะยอมปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยโดนชัยตอนลากจูงไปจนเราเหลือตกลงไปในหลุมพรางที่น่ากลัวแบบนี้จริงหรือ จะนบิากนอยาา i d เป็นคนที่ปฏ uh uh ิเสธอายะห์อ uh uh ัลลตุบอานะวะตะละะยาเป็นคนที่ผล uh ักไสอายะห์อัลลตะละยจ i h a ูนก็คือรู้ว่ามันเป็นความจริงแต่ไม่ยอมรับยจ h a ูนรู้ว่าเป็นความจริงแต่ไม่อยอมรับยาสุดดูนละอุ้บิลละฮิัสุดท้าย สภาพของคนเหล่านี้วะกาลัลละดีนักกฟารพอดนลงโทษในนรกอย่างสาหั ส, สากันพวกเขาก็จะพูดว่ายังไงขออุดมอัลลอฮ์ขออุดมอาอ์ให้พ้นจากนรกไม่ได้ละหมดหวังละตอนหน้านี้พูดไปแล้วว่าขอขอออกจากนรกเนี่ยออกจากว่า อ, อ, อะไรนะอฟาอินยาสเบรูฟาอินยาสเบรูฟะลาอะไรนะอัลลอฮฺอาลลบอกว่าอย่างไงนะข้อต่อหน้านี้ พระอินยัสมิรุอายาติยดิบตีพระอินยัสมิรุพระนารมัสของพระองค์ถ้าอดทนอยู่ในนรกก็จะต้องอยู่คือทั้งอดทนทั้งไม่อดทนยังไงก็ไม่สามารถจะออกไปจากนารกได้ขอให้ออกจากนารกเนี่ยทำไม่ได้ละเพราะฉะนั้นขออย่างอื่นแทนขออย่างไงขอแก้แขนแก้แข้นไป แก้แค้นคนที่ทำให้ตัวเองต้องตกนรกรบบเนาริณละไนอลบาห์ยาอัลลอ์ลลอ Allah, เอาคนที่หลอกฉันมาใครที่หลอกฉันก็ยินกับมนุษย์ในโลกโดุนยาที่เคยหลอกฉันมาเนี่ยเอ า, า้ยอริณละไน่อั ล, ลานะรมแค้นมากๆต้องการจะแก้แค้นบอกว่ายาอัลลอฮ์งั้นเอามา นั่นจะเลูมาแตะตะอคดามินเราจะเหยียบสองคนนี้ให้มันตกลงไปในนรกชั้นล่างสุดเลยอะเลียคูนามินัลอสาดีนนี่คือสภาพอับจนบรรดาคนที่ไม่คิดถึงบัานปลายของตัวเองตอนที่ทรยศอัลลอฮสุมาตานอตาอลาในโลกเรือ น, นี้นี้อยากจะแก้แค้นแตสุดท้ายทำได้ไหมครับสภาพนี้เป็นไปไม่ได้หรอก นะครับหลักธลักํำหนดทุกคนต้องอยู่ในนรกในสู่รตุลาอารอกถ้าใครเคยเรียนในสู่รตุลาอารอกเนี่ยมันจะมีการสนทนาด้วยสนทนาระหว่างอัลลอฮีนัสตะบารุกับอัลลอีนัสตูดัฟคนที่เป็นหัวหน้ากับคนที่เป็นลูกน้องคนรุ่นก่อนกับคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังบอกว่านี่คนรุ่นก่อนนี่แหละทำให้ฉันเนี่ยต้องหลงทางอย่างนี้เพราะฉะนั้น ได้โปรดลงโทษคือแค้นนะบอกว่าตัวเองที่โดนลงโทษแล้วแต่อยากจะให้อัลลอฮลงโทษคนที่ทำให้ตัวเองหลงทางเนี่ยเป็นเท่าอย่างที่ตัวเองโดนแต่อัลลอลฺบอกว่าเฮ้ยพวกมึงทั้งสองกลุ่มต้องอยู่ในนี้อยู่แล้วไม่ต้องมาชะลอกันสุดท้ายก็ต้องอยู่ในนี้อัลลอฮฺอัสซัมบุรุลลอฮฺอะตุบิล อันนี้คือความจริงนะครับความจริงที่เราบางทีเรามาต้องใช้สิทธิ์กําลังในการที่จะสื่อสารออกไปด้วยเดี๋ยว น, นี้ชอบใช้สิทธิ์กันเหลือเกินบางทีตก่อนหน้านี้เราก็เกรงใจเกรงใจอยู่นะที่จะบอกตรงๆแต่แต่ทุกวันนี้อีกฝั่งหนึ่งเขาใช้สิทธิ์ของเขาเต็มที่มากที่บอกถึงความต้องการของตัวเองถูกต้องไหมอยากได้นู่นอยากได้นี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สิทธิ์ของตัวเองเราไม่ได้อยากได้อะไรหรอก เราอยากจะใช้สิทธิ์ในการที่จะบอกความจริงจากอัลลอฮฺสุบฮานาห์ตะอัลาแก่ทุกคนไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้นแต่ขอสิทธิ์ในการที่จะพูดขอสิทธิ์ในการที่จะบอกว่อาอัลกุรอานบอกอย่างนี้อลัลตะลาสื่อสารกับมนุษย์อย่างนี้บทบัญญัติของพระเจ้าเป็นอย่างนี้ฟังหน่อยได้ไหมถ้าคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดในมุมมองในความรู้สึก ในความต้องการของคุณเราก็อยากจะใช้สิทธิ์ในการที่จะพูดถึงสิ่งที่ลัทธิอลาสั่งให้เราพูดสั่งให้เราถ่ายทอดจากคำพูดของพระองค์แล้วสุดท้ายคุณจะเลือกหรือไม่เลือกนั่นคือสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจหลังจากนี้มีอะไรที่ยังไม่เข้าใจมีอะไรที่อยากจะรู้เพิ่มเติม เ, มเกี่ยวกับคำพีขอนเหรเกี่ยวกับคำสอนของเหอย่าทึกทักเองอย่าจินตนาการเอง แล้วไม่จําเป็นต้องใส่ร้ายใส่ใครกล่าวหาใดๆทั้งสิน้นมาถามโดยดีเราก็จะตอบโดยดีไม่มีปัญหาไม่ต้องใส่คําใส่ร้ายไม่ต้องตอบไครใส่พวกเรานะครับเราก็ขอใช้สิทธิ์ของเราในการในการเซฟตัวเองไม่ต้องใส่ร้ายไม่ต้องใส่ใครไม่ต้องมองเราด้วยสายตาที่รู้สึกว่าเรากำลังจะดูถูกใครไม่ใช่เราก็พูดตรงๆเหมือนที่ตัวเองก็กําลังที่จะพูดตรงๆถึงความรู้สึกของของอีกฝั่งนึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องการจะบอก ด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้ถ้าในแง่ของความเขาเรียกว่าการอธิบายจากคำสอนอิสลามคือโลกที่กำลังมุ่งเข้าไปสู่สัญญาณของวันกียร์มัตทุกวันนี้สัญญาณของวันกียร์มัตเยอะขึ้นเรื่อยๆเร่อยๆเร่อยๆแล้วไม่น่าเชื่อหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าปีที่ท่านนาบีสุลต่านซลามพูดถึงสัญญาณพวกนี้แล้วมันมาเกิดตอหน้าเรา ในยุคนี้แลาจะไม่ให้เราพูดได้อย่างไงเราพูดด้วยความเป็นห่วงนะครับให้เราเข้าใจว่าอย่าได้นำตัวเองไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณแห่งวันสิ้นโลกที่มันน่ากลัวเข้าทุกวันทุกวันทุกวั น, ว น, วนอัลลอฮฺ ت ع ا ็ ى ล ع ل م وفقنا الله إياكم بما يحبه الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبحان ر ب ك رب العزة أَمَّا ي َ س ِ ك ُ و ن َ وَسَلَامٌ عَلَى ا ل ْ م ُ ب ْ س َِ ي ن وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ و َ ب َ ر َ ك َ ا ت ه ُ